ฉันอาหารทางใต้เหมือนไนมาเป็นวันมือแหลกต่กอนวิเศษสันอยู่ทั้งทังเพราะว่าพวกช่างที่ฉีดโฟมกระเบื้องของข้าใส่มาเกือบสามเกือบสามสิบปีมั้งตั้งแต่ปีสองแปดนับตรนปีสองแปดมุ่งหลังค่าเสร็จสาราหด้ใส่ปีสามศูนย์ ละบาดทะเนต่อมากนะมันก็นยังพอใจอยู่หรอกแต่ว่าถ้าจะคิดในแง่ความปลอดภัยตามการั น, น้นของเขาเขาก็วา่ามันสีัระทั่งเทอมันรัุดออกหมดแหละมีดต่งใจใยใ ย, ย, ยหินกับกระดาษใ ย, ยหินเมื่อหน้าฝนตกมันกสะนามเบิงในคิดในแง่ความปลอดภัยก็บม่ค่อยดี แต่อีกแนวหนึ่งกับลิงลิงมันมนธรรมดาขึ้นนะลิงวัดเท่ายามคูบาปุยย่ามไปบินถบานกะนกระโด ด, ดไปขึ้นไปไปังข้าพกนะันกระเบื้องแผ่นใดที่มันดังมันกไปเขย่าแผ่นนันเไปเขย่ากระเบื้องนะปังปังปังปังมันชิู่ใดก็กระเบื้องก็แตกเดิไปเขยา่สาสล่อฟ้า เอาปูนหุมไว้มันก็พออยู่กับเราแต่โอ้เป็นตาลังค่านั่งคือกันบานัต้ใส่สังกะสีแผ่นย่าวใส่อลไรบาตเนี่ยเขาบอกให้ทามาเลยบัตเ ม, มึงเมื่อคืนไปบัตนี้ยขั้นบึ่งบุดเน็บคอนทีตะปูใส่หลังมึง่อไงงัดปไายดอกบาตเนี้ <laughs> โอ้สังกะสีหลุ่นไม้ของเขานะี่ะหนาแผ่นย่าว ก็ะพึงหากกระเฮ็ดแล้วมุ่งแล้วเพราะแล้วเราก็เลยติดต่อไปทั้งฉีดโฟมฉีดโฟมทั้งไตกันเสียงเวลาหยาิโยมมาเขากิต้องได้ฟังเทปฟังธรรมกังคากังขึง้นาบางที่วันพระวันเจา้าหรือเ่าเหมือนเสาเวลาหยาดโยมมางเดียวเวลาฝนตกเขาก็ต้องอยากให้มันเสียงดังเพราะสังกสีนี่เสียงดังมากเลย ไปมุ่งในโล่งขั้วนะคณว่าเขา้เขาบอกบอกเกยหนึ่งพ่อเขาไปในเสียงตกจากจากเขาวาเขาไม่สิดทวมทีบทวมแดนพ่อออกมาดินพ่อดินไล่หน่งวนไปโอ้สังกสีหนึ่งบทาแล้วว่ะสังกสีเ น, น, นี่ฝนตกเสียงดังจริงนั่นแหละอันนี้ก็คือจะให้เขามาฉีดโฟมแล้วก็พร้อมกันกับการร่อนพร้อมมันกันสองอย่างกันเสียงและกันร่อน เลยได้ลงทุนนี่แหละสีดฟ่มจะเบิ่งเบิ่งมันจะมีปัญหานะมือวน่านนะลงพอก็เป็นผู้ฟังนะ่ะพกพระเนี่ยท่านน่อยเนะี่ยช่วยๆกันเบิ่งโนยะผู้รับเหมาเขาผู้ที่เขาีิม่าเฮ็ดทีแรกก็บ้าแบบนึง่งพอจิม่าเฮ็ดแล้วกันมีขอแม่อันมีขอแม่นี่มันยางผัปันภาษาบ้านห้องยางผัปันไข่ขี่กันไ ก็เบิงเบิงอะไรก็สงสยัยจะเด็กคุยกันอีกมั่งกับคูบาตรงพอมอบปคูบานะ่ะคุยคุยกันได้่าตรงพอมผภาละมากไม้กายกองขอลอแคลนทั้งเสียพวกทุเจ้าตัดชิงใจก็แล้วกันเพียงแต่สีฟ้มแต่มันก็เป็นหลายเงินเยอะแล้วล่ะสีดฟ้มอย่างเดียวมันี่ตกลงกันไวก็2บสองแสนหกหมืห้าพันค่าฉีดฟ้ม กันเสียงและก็การลอดนะแต่เมื่อทดลองบางมุ่มเนี่ยมือว่านมีอันนันกันอยู่ก็เลยเบาๆกันอยู่สงสัยจีได้คุยกันอีกเมือนไงตกลงกันอย่างไรแต่กันเทศอิตลีก็บรดนก็บอกว่าปะมาณจากอาทิตย์กว่าขนาดจะแล้วกันได้ทำต่อเนื่องวันนั้นเมือนวกเข้าจะได้ลงมาก ฉันทางใตหมดนลนะพวกแม่ตูแม่ตาทั้งหลายก็จะโอ้เป็นยังหลวงพอ่อลงมาฉันทางไตนอกมณีนเลนยคือเขาสีฉีดเขาสีทำงานทางัทงเครื่ช่วระยะนึ่งแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ตั้งแต่หลวงพอ่อมาอยู่ใหม่ๆนะงาดงบุบลายเลยไม่ย่างบางถือกับผมผมมีผู้ใด ม, มากมากสองสามคนพวกกุเทามากเอาเข้าไป กัพวกในขั่วสองสามคนกับพระกับพระม่าณชักแต่กระผมตากว่าเจ็ดแปดองค์จากเถื่อกรว่าพระในวัดเท่าเนี่ตั้งแต่สามวันพระเจ็ปดองค์เกาองค์สิบองค์นี่แหละสิบกว่าองค์กระผมเคยต่ํากว่าเกือบจะว่าพระตากว่าสิบเหรอปะแต่หลวงพ่อเคยคิดว่าเหตุหมดหลวงพ่อย็ดลูกกงแต่เอาไม่ถึงลูกกุงมันต้องอยู่เสาเสาทั้งนอกะ เพราะว่าเป็นคนมา่นใจซาลาแต่หลวงพ่อคนคือจะบวไรามากอนาคตเนี่ยวะปลาดุงพงไผ่ไก่บ้านไก่เมืองขนาดเนี่ยไก่จากอำเภอหน้ายุ่งไก่ไก่ไกจากอำเภอนามโสมไก่จากอำเภอบ้านผือผมมีนายุ่งเลยนายุ่งเมื่ท่านตั้งมีแต่อำเภอนามโสมกับอำเภอบ้านผือยูไก่กัมีจากนั้น ก, กัมีชาวบ้านลูกหลานแทบๆนี่ ย่างหมอเ้ากันมากผู้เฒ่ามากสองสามคนอลไรก็มีพระโยนวัดอย่างหนึ่งกับมีพวกในครัว้วมาจากทินอื่นมานอนในครัว้วไปไปกลับกรับก็มีปู่ยูประจํากันสองสามคนย่างหมูเสาก็มาจังหันมานอนมาแนม่งลงพอกับผมบต้องเฮ็ดลูกกง่งกว่างนเนาะเฮ็ดแคบๆตึงๆแลวะวพอพระฉันยังหันเสร็จเรียบร้อยเลยได้ สองสมสีหามือกันว่ามันท ก, กับโปก๊กเอาน้ามสาีสัดล่างล่างเอาไม้กวาดมัต้องถูน่ะไม้กวาดกวาดกวาดกวดให้มันแห้งน่ะมืออื่นก็ใส่ต่อไปอกีกบต้องเป็นผ้าละแกลผ้แกเน่นแกโยมพระกุฏิันอยู่ใหญ่ ใ, ญใญกันเนอะอยู่กุฏิก็อยู่ใหญ่กันอีกต่างหากพนอะรักษาวัดทางเทือกพวก นักเล่นกีก ข, ขโมยมาหายิ่งหมูยิ่งสัตยิ่งฟ้านยิ่งสัตว์ตวปลากระโยนอยู่รอบๆมันกุฏิพระมันไปห่างๆกันอยู่รอบๆไปแค่ว่าเป็นห่วงเป็นห่วเพื่อรักษาวัดรักษาปาลาหลวงพอบางสัตวนะ์สมัยก่อนนี่แหละหลวงพอก็ได้เหตุจังสี่แหละสรุปแลยหลวงพ่อเป็นผู้มักหน้อยสันโดษอยู่เลเป็นผู้มักน่อยอยู่ บ่ได้ขึ้นไก่บ่ได้ขึ้ น, น, ยยนว่ามันสีไงไปหนาพกขึ้นว่ามันสิไงป่านี่มันไปพ่อต่อมาโอ้ผู้นั่นก็มาผู้นี้ก็มาคาดพอถึงขึ้นกันลายป่า น, นี่มันไปอย่างพวกเข้าเห็นเนี่ยนขะนนั้นเพิ่มกันขนาดเติมขึ้นเอาไปมากก็เลยเป็นวัดใหญ่ขึ้นมากแหมพระเนี่ยก็ได้ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบองค์ขม้าเลยทั้งไก่ก็เขาม้า ปีนี้จะมีนักศึกษาแพทย์มหิดลจะมาบวชอีกเดช่วงเดือนต้นเดือนมีถุนายนเนี่ยนะพระนักศึกษาแพทย์มาบวชบางปีก็ไปบวชทั้งอื่นปีที่แล้วก็มาบวชวัดเท่าแต่กัปีนี้ก็มาบวชอีกติดต่อกันหาหกปีเลยเดชบวชอยู่วัดเท่านักศึกษาแพทย์แต่ลุงพ่อกักบกบวาอย่างเพราะว่าพวก ท่านเรานี่มันเป็นพวกลูกหลานมันเนี่เป็นชั่นปัญญาชนควรจะได้รับการอบรมทั้งด้านจิตใจพ่อมาบวชสุดหนึ่งแล้วเขาก็บอกเออวัดหลวงพอ่ออบรมธรรมะดีแต่คงจะลักษณะตยังนันจังสันมั้งมากก็เลยที่สองที่สาม ท, ที่ที่หาที่หกมาเลยละบ้านะก็มาเทระซิบสิบกว่าแผล ปีนึ่งจะเมนเทอร์ใดบนทราบข่าวมาว่าประมาณสิบค้นน่ะไดละปีหนี่งแต่ยังิ่อท่านท่า น, น, นพบสมัครก่อนที่จะมาบวชเขาก็สมัครสมัครหลับหลับนักศึกษาแพทย์ปีสามแต่ยาติบอสก็ไปญากพราะจงควรอยู่ห้องอยู่ปลาอยู่ดงแต่ว่ายากิยังไงก็ต้องหลับจะไปเห็นแก่ความสบายเข้าก็บบอได้ต้องรับเพื่อ อนุชนรุ่นหลังรับเพื่อเป็นท่ายาดท่ายาดของเฮ้าถ้าว่าเฮ้าบ่กมีท่ายาดพระพุทธศาสนาสิ่ยุได้จงังไหนอันนี้คือคือรับมาไว้กับเป็นท่ายาดเพื่อลูกเพื่อล้านต่อไปไพ่พักมาเขาจะได้แนะนําสร้างซ้อนกันคือจังเฮ้านีแ่แหละสมัยก่อนก็บลูกพ่อก็เป็นเน่นหน่อยอายุทมหลวงปู่ลาก็ะบข้าดปกติประเสริฐมาเป็นหัวหน้าหัวแถวจึงสี่อีกต่างหาก อยู่แบบมุม่สีสีขี่ายอีกตั้งหากพ่อก้าวบอกบอกก้าว่ามือนย่ไม่ใไปสวดม่นหนึ่งสี่ก็ท่องสวดม่อนไมดมดแต่ขั้นไปกับมูย่านมูผ้าล่มก็ท่อกันไอ้ไข่เขา้ายานมูบ่ไรยานไปบป่ไรวัเนั้นไปนี่แหละขีอายถึงขนาดนั้นวันไปวิตกกังวลแต่พ่อมาอยู่กับองค์หลวงตาพ่อมาอยู่ถึงสีร่ระบาลนี้ บอจําเป็นมันกะทองในบอกแสดงความคิดเห็นเคยปฏิบัติม า, จากจังไหนเคยรู้เคยเห็นมาจาังไหนเคยอยู่กับคูบาอาจารย์ม า, จากจังไหนแนวปฏิปทาในเด็กศึกษามากได้เรียนรู้มากทั้งพระไตรปิฎกทั้งแนวปฏิปทาของพ่อแม่คู่บาอาจารย์ที่แนะนําสัง่งสอนมาในก็ะได้มาทายทอดะนะมาถึงข้าวทายทอดมา งเพราะอายุแกเลยเดยอีกปีปีไปทา้งนาเข้ากัาบวาวาสิยูนา่ น, านเท่านัานอันนี้มันจะเข่าเจ็ดชิพเลยเน้ยหลวงพ่อสุเจ้านะ่ะหกสิบหกหกสิบเจ็ดปีแหลกะก็เสียอายุมาหลายปีเลยเดย่ซิยูไปน่านจักเท่าใดกระย่างพระท่านหูนี่แหละอันนี้ก็คือได้ได้เลียนมากได้ศึกษามากก็ต้องทายทอดวิชา เด็ปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนหมา้าดาเนินจังใดอันใดที่มันเขากับยุคสมัยได้อันใดกับยุคสมัยเก่าแก่แต่ยุคสมัยเก่าแก่มันมันลาไปแล้วมันลาหลังไปแล้วเ อ, อออั น, นไหนก็ไหวก้อนก็มาประยุกต์มันใช่ในปัจจุบันให้มันเขากับคนในยุคปัจจุบันภาษาใดก็ตามที่จะให้ข้นปัจจุบันเข่าใจง่ายเข่าใจได้เข่าใจง่าย แหลวงพ่อก็น้าภาษานั่นอ่ะพอหลวงพ่อเนี่เป็นให้คนบันนอกบันหน้าเด้สีเว้าให้ฟังมันไม่เข้าใจมาถึงมาถึงจุดนี้เฮ็ดยังไงเขาจีเข้าใจในภาษาที่เขาเว้าไปเนี่ยหลวงพ่อพยายามกันก่องเอาภาษาที่ที่คนเข้าใจง่ายแห่มาว้าวส่วนภาษาธรรมะเนี่ยโดยมากหลวงปู่หลวงตาพ่อแม่คูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาพัน เพิ่นเทศเพิ่นเพิ่นยกบาลีเพิ่นเพิ่นข่าววาวพานไปเลยแต่ลงพ่อเนี่ยพอยกบาลีขึ้นมาแล้วทำไมก่อนลงพ่อบ่เข้าใจเด้บาลีาเนี่ยเพื่อแปรว่าจะได้กระบจนชัแต่เพิ่นผู้ว่าเพิ่นเข้าใจยุกแต่เฮ้าผู้ฟังเอีบ่เข้าใจว่า น, นี่ลงพ่อนี่ยพ่อว่าว่านไปเลยลงพ่อจีไม่ย่ำอีกเลยไอ้ฟังรถเอ็มพิสามของลงพ่อเนี่ยลงพ่อจะกลับมายำ่ำไม่ย่ำบาลีที่ได้ยกไปแล้วนั่น เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจขั้นบอกเข้าใจจุดนึงแล้วมันจะบอกเข้าใจความใส่ใจมันก็จะเลื่อนล่างแล้ววนะเพราะบ่กเข้าใจจุดนั้นแล้วเพราะนั้นให้เข้าใจพยายามให้เข้าใจทุกจุดที่บอกให้ฟังนี่แหละสรุปเลยลุลงพ่อนี่ยหัวถุยโอนะไปเมื่อได้เข้ามาศึกษากับพ่อแม่คูบาอาจารย์แล้วฟังแล้วศึกษาแล้วเข้าใจแล้ว กันน่มมาดออตีแพร่มาขยายผลเรื่อมากให้พวกคณะชาตท่าญาติโยมถี่มาเกี่ยวของกับหลวงพ่อเนี่ยเข้าใจแต่บางคนอผู้ทีหัวดีได้รับการศึกษามาแล้วพ่อฟังฟังมึงกับล่ำข่านคือกันเนะลยลําข่านกับข้าเมเบาของหลวงพอ่อเบาอยังย่อนหนา่ายยอนหลังพ่อปันสอนเ็คนิอยอลดเนะคยขันผู้พนได้รับการศึกษาดีแล้วอแต่ขั้นคาว่าผู้ที เข า, มาไม่ไมาฟังเอออันนี้เข้าใจว่ะที่หลวงพอบอก เ, เข้าใจโดยมากจะเป็นลักษณะจังสันหลวงพ่อก็สังเกตอยู่เด้แต่อีกอย่างหนึ่งบงัดเนี่ยพกเข้าฟังทังเกตชุดหลังๆต่อมาเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นหนึ่งว่าตายเราศูนย์นะตายล้วเกิดอีกค่ำนี่นายเอ็มพี่สามของหลวงพอ่อจะได้ยินแบบเกลื่อนเลยมากก็เพเหตุใด ก็พอว่าในยุคสมัยนี้คนมีความคิดหลวงพ่อไปใส่หลวงพ่อก็ไแดงยินแต่ก็บอชัดเจนแต่ได้ยิ้นกับผู้ใหญ่บัดผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพอหลวงพ่อกับผู้ที่เขามากเกี่ยวของกันหลายระดับขึ้นกันที่มากเกี่ยวของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคันด็อกเตอร์พ้นก็บอกว่าท่านคนคู่มือนี่เขาบบเซือว่าตายแล้วเกิดเอ๊เขาบอกเสือ ว่าตายเราศูนย์เอค้งตายแล้วเกิดก็บคงตายแล้วว่าตายแลราศูนย์แต่เขาก็บาววะแต่เขาว่าว่ามั่นใจว่าตายเราเกิดอยังไปเกิดพอให้ท่านท่านตรงหายรักเหตุผลให้ข้เจ้าให้เขาฟังบ้างเนาะในหลักของพระพุทธศาสนามีไหมท่านว่ามีว่เพลินกะ็ะเดกปฏิบัติคือกันได้ผลผู้ถามมาบ้านในหลวงพ่อก็เลยฟังฟังมันเหมืนความเพลินอีิีได้นะ หลวงพ่อก็เลยเบอกบัตได้หลวงพอ่อก็บอกว่าตายแล้วมัสูญนะตายแล้วเกิดอีกนะหลักพิสูจน์ในหลักของพุทธศาสนาเนี่คืออยังพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาไปนางพระวนาอยู่เหงาโพประเทศอินเดียนะจิตสงบลงไปแล้วเป็นที่หงได้แยกกายแยกจิตแยกจิตแยกกายมันเป็นคนละอ่านกันได้กายกับจิตนี่ยนั่นแหะจิตคือวิญญาณเออ คือผีมันออกไปบ่กง่ายๆที่ออกจากล่างไปแล้ว <c oughs> เป็นผีมันออกแต่ร่างกายนี่ดินน้ำลมไฟเผาไฟถิมอิลิร่างกายนี่แต่ว่าตัวตั ว, ตวน้ำธทําตัวนึกคิดตัวพูรูตัวนั้นพอตายเด้อพระพุทธเจ้าไปคนคว้าเปลืงแล้วเห่าจะได้ยินยังสั่นบอยมากเลยหลุนหลังๆเพราะเหตุใดพอลงพอว่าคันฟังกันนึงเออฟังกันนึงคันบได้ฟัง่ง ปวดเาวสองสามกันแล้วก็แ ล, ล้วไปกับผู้ฟัง่งกับจิตไ่ได้ฟั่งกันที่ว่ากันนั่นเพราะนั้นหลวงพ่อเอาให้เกินเลย่นไปแอบว่าเอาให้มากๆเลยบางคนเพราะอะไรเงี้ยอาจจะเบือ่อก็ไระไอแต่อย่าฟาวเบือ่อคนไปฟั่งไปซะก่อนเพราะว่าแนวความคิดหลวงพ่อนี่เน้นจุดนี้เอคนไปถ้าว่าคนเขาว่าตายแล้วศูนมันจะบปะเหตุความดีได้บ้างไหม อยากเหตุตามที่ตัวเองอยากเห็ุแนวด้วยมันซัวทั้งคดทั้งโกงทั้งป่นทั้งขีดแนวดมันเจ้าของอยากเหตุมันก็ติเห็ุอย่างสัตว์เพราะมันตายตายแล้วมันสูนย์เนี่ยจากมืออื่นบุมีจริงสิเหระมืออื่นมัดมัดแต่มือนี่มือเดียวนะี่เข้าหาเงินมากหาบา่ได้เขาก็กินมดเนะี่ยจะเก็บไปยังเก็บไปโง่ยังพราเห็ุไดเพราะว่ามืออื่นบุมี แต่ว่าขั้นมืออื่นไม่ละบาทขั้นห้ากินแต่มือนีมือเดียวนะบริเก็บเพื่อไว้มืออื่นนะฮะมือหอดมืออื่นมาแล้วห้าสิกินอย่างบาทขั้นหาบอท่านมืออื่นหาบอท่านฝ่าตกฝนลงเขามาเนะ่ยหาเงินบอท่านหาของบอท่านห้าสิกินอย่างคั้นมันกำมบมีแนวสิกินมันต้องกินของเกา๋านะ่ะอันนี้คท่กันลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตายแล้วบ่อศูนยะตายแล้วเกิดอีกนะ่ง นี่แหะหลวงพ่อก็ยยำจุดนี่ให้แกคณะศรัทธาญาติโยมทุกู่ทุกคนเพื่อการศึกษาบัดนี้หลวงพอ่อเขาก็จะถามยำมาอีกว่าเฮ็ดยังไงหลวงพ่อก็บอกแน่นั้นอีกขึ้นกันพระพูดให้เจ้าเฮ็ดยังไงเพื่อนนางภาวนาเด้พอแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเพื่อนนางภาวนาเด้เพิ่นทําจิตให้สงบนเด้เมื่อจิตสงบเพิ่งจุ่มหูได้ด้วยตัวของเพื่นเองขั้นโบ คิดพอท่านสงบหนุเพพ้นกบฏได้วาเามือ่อจิตสงบพ้นจงหูจักนี่แหละหลวงพ่อจะบอกในลักษณะนี้นนเองที่สามชุดหลังๆชุดตั้งแต่ยี่สิสองยี่สามมานี่แหละจนถึงสามสิบกว่าแผ่นเนี่ยจะเน้นนักเรื่องตายแล้วเกิดพระดันขอให้พวกเข้าทุกคนเนให้ศึกษาให้ภาวนาให้ท่านจิตใจให้สงบ พอแม่ผู้บาอาจารย์หลวงปูหลวงตาเพิินไปภาวนาอยู่ในปา่าดงพงไพ่เพิ่งโมเมนไปหาอย่างเลยไปเบิ่งใจของเพิินไปเบิ่งกายเบิ่งใจของเพิินไปนั่งภาวนาดูเบังเพราะจิตสงบเราจะเห็นอะไรชัดเลย เ, เรื่องกายกับใจเป็นคนละอันกันนี่แหละบุญกับบาบุญกุศลทีเขามากตัวไห น, น เ, เรื่องร่างกายนะเป็นวิบากแค่ซื้อ ไอ้ตัวที่รับบุญรับบาปแท้ๆเนี่ยคื อ, คอใจหลเพราะนั้นให้พวกเข้าศึกษาอย่าไปปฏิเสธถ้าปฏิเสธในหลักของพระพุทธศาสนาเพูดว่าคือกันกระคนตาบอดไอ้คนตาบอดปฏิเสธไปเลยปฏิเสธขวากปฏิเสธน้ำปฏิเสธเหวปฏิเสธปอปฏิเสธก้อนหินเนี่ยแหละตาบอดจิกขันโมมีผู้จูงระวังให้ดีก็แล้วกันเพราะนั้นเขาต้องฟัง ฟังธรรมขั้สอนของพระพุทธ เ, เจ้าฟังและศึกษาศึกษาแลยเฮ็ดอย่างไรสิรกซิงซงเราดันได้เห็นไหมชัวร์เจะไปหาเฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่มันดีเมื่อเฮ็ดซิงที่ดีแล้วบุญกุศลก็จะเข่าสู้จิตเข่าสู้ใจของพวกเฮ้าเมื่อเข้าสู้จิตเข่าสู้ใจเนี่ยใจน่ะจะเป็นที่ลองรับของบุญของบาปอ่มันฮ า, าเฮ้าตายไปแล้วนะร่างกายตายอิริบ่มีผลใดสิ อยู่ได้พราะพุทธเจ้าก็ตายอิลีธาตุขันของเปินพ่อแม่คูบาอาจารย์พระรหันกับตายอิลีแต่ว่าตายต่างต่างกันเทว่ยวกระทัดกับตายอิลีข้นชัวกับตายอิลีขนดีกับตายอิลีแต่ว่าตายแล้วมันตายต่างกันคือวิญญาณคือใจใจไปคนละทั้งขั้นว่าข้นชัวตายตกนรกไปทังตําขั้นคนดีตายไปสู่สวัสดออ คือการกับคนในมนุษย์โลกนะมนุษย์โลกของเข่ามันก็มีดีมีชัวคือกันเด้บ่เม็นแต่ดีอย่างเดียวเนี้ยคนเกิดมากแต่เป็นเด็กน้อยเด็กน้อยเกิดมากอยังพอท่านเท่าใดหรอกพราะมันเห็ุกระดุกกระดิกเด่นเป็นเอีมันเบาเป็นมันดาคนเป็นนั่นแหะมันเริ่อมความทำความชัวอลไรได้อมันบอกกระพาะกระแม่ดีนั่นแหละมันเริ่มทําความดีเลยได้อมันมันแยกแต่ได้บาดเริ่อมละเริ่มมากน้อยน้อยต่อมาต่อมากกับใหญ่ขึ้นมาก ขากูขาคนเป็นส่วนวะบะัดขันย์ใหญ่คือมากก็มีที่โอบอมอาลีนี่เมตาตาต่อเพื่อนมนุษย์นั่นก็เป็นท่างดีนะมันแยกกันโดยอัตโนมัติเด่ะมันแยกมากจังจันเพราะนั้นเวลาทำดีมันก บ, บุญกุศลเกิดเขาสู้จิตใจผมได้ทำความส่วนเกิดเขาสู้จิตใจแต่บางคนทำทั้งทั้งส่วทั้งดีแหละทาทั้งส่วทั้งดี มันก็แยกกันอีกขึ้นกันนะ่ะเออให้เข้าวันดีกับซวมไปน้ำกันออ บ, บุญกระหาบบาปกระหิวฮนะเอผลอๆหนึ่งบาปบาปหาบบุญหิวอีกตั้งหากวันนี้ไปก็สุดแทะแต่แต่ว่าพ่อไปแล้วบาเนี่ยถึงข้าวนั่นมันแยกกันเองอีกขึ้นกันเลยแต่บางคนในหลักของพระพุทธศาสนาที่ทํากรรมทําชั่วไปได้ก็ตามแต่ว่าก่อนสิตายเนี่ย แล้วลึกถึงความดีแล้วลึกถึงความดีเจ้าของแล้วลึกถึงบุญกุศลเจ้าของแล้วลึกถึงได้ดูแลปฏิบัติพอแม่ดูแลทําบุญทําท่านจิตใจเป็นกุศลในขณะที่ใจจะขาดนะบุญกุศลก็เขามามาให้ผลก่อนบุญกุศลจะเขามาให้ผลก่อนบุญกุศลจะปกป้องนำ้ำหลวงวิญญาณไปสู่สุคติ แต่ว่าผู้ใดก็ตามแต่ทำบุญสางบุญสางกุศลไหวหมากไหมเออมิแต่าสางบุญสางกุศลแต่ว่าก่อนขีตายนี่คิดไปในทางส่วโมโหโกธาเออมิแต่เสียวจุนฉุนเชียวอยากจะให้รักษาในเจ้าของหายหายเออมิแต่ความกโกรธมิแต่ความบอบพ่อใจขั้นตายในช่วงนั้นไปสู้ทุกกะติได้มันคิดไปได้ในทางสี่ส่วบาปอกุศลจะเข้ามาก หลอกไปก่อนผ้าไปสู่ทุกขติแต่จนกวา่าเมดทุกขติวันเราไปไปใส่กัมซะก่อนไปติดคุกซะก่อนวันเไปวันน้ออกมาจากคุกบุญกุศลที่เฮาได้ทํำไว้จังคอยเขามาสวมอีกผ้าไปสู่สุ ข, ขตินี่แหละผู้ที่ทําความซัวขึ้นกันคันว่าทั้งในขณะที่ทําความซัวเนี่ยแต่คิดถึงความดีเมื่อตายไปกับความดีนี่ยเขาไปหลอก เขาไปผ้าไปคนจนมดกรรมดีไปเลยมดกรรมดีติดคุกแล้วไปเลยนี่แหละเพิ่นว่ากรรมชั่วอย่าไปหาเหตุถ้าเหตุเข้าไปแล้วมันบอไปใส่เลอมันบกวนเวียนมามันมาใส่เข้ามันมาให้ผลกับเพ้าตลอดไปจนได้สําเร็จเป็นพระอระหันมือใดเมื่อนั่นแปลว่ากรรมทั้งสองอย่างนะี่ยทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วเนะี่ยเป็นโอโหสิกรรม กรให้ผลสําเร็จแล้วแปลว่าพระราหาในในไข่ไข่ก็ว่าขามนางเหือขามมหาสมุทรไปไอพวกหมาพานทั้งหลายลามะหอดฟังมหาสมุทรทั้งนี้แล้วข้ามว่าใดไปเออเอให้ใดเพราะมันกรรมตนิมมันบม่สามารถที่จะขามมหาสมุทรใดได้เมือนความบริสุทธิ์ของเพลินขามมหาสมุทรไปแล้ว เ, เป็นว่าโอาโหสี่กรรมบาริกรรมโบรา น, นมันเห็นจังไดบ่เนี่ กรรมว่าอะไรก็แล่นพุนแล่นพีออกไปมา่จาักสิหากัดไปกรรมตัวนั้นก็เลยตายไปเมดไปมดกรรมไปนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาทาาวายังเ่ขันว่ท่านเป็นพระอาณาค่ามีเลบ่ได้เลยพระอาณาค่ามีพ่อตายจากมนุษย์แล้วไปอยู่สันพ ม, มเนี่พมอฟีหาอัตต า, ท, าทุตสาทุตเสียกนิถา ผมชุดถวัตหาชั้นแปลว่าโบลกมาเหยียบแผ่นดินอีกอันนั้นก็กบกมตามมดถึงอีกขึ้นกันพระอน้าค่ามีน่ะขานนอกจากหันบัลลังก์ตามไลยองได้ป่ะเนี้ยพระโสดาบันเนี่ยเกิดสามชาติเจ็ดชาติเกิดหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติคานว่าพผู้ใดเห็ดกำชั่วเนี่เอกำชั่วจะเช็ดปิญญางชุดชุดขึ้นกันเนี่ยะนั้นผู้ว่าพระผู้ได้เจ้าอ่เพิ่นบอกไว้แล้ว ขอให้พวกเขานะทุกขูทุกคนศรัทธาญาติโยมหนุกหลานทุกคนให้ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของใจมันมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่มันเป็นพรร่างทําความดีก็เป็นพรร่างเป็นบุญเป็นกุศลถ้าทําความชั่วก็เป็นพรร่างพักดันไปในทางต่ำมันอยู่ในใจมันมองไม่เห็นหรอกบาปบุญบเป็นตัวข้างย่างเขียงยิงแต่ว่ามัน มันฮูได้มันเป็นพลังเป็นเครื่องเกือกุนหนุนรับพรออนุโมทนาให้พร